ที่มาพร้อมกันวันนี้รู้สึกว่าอบปุ่นอุนหนาฝาคลังที่พวกเราได้มารวมมารวมกันเพื่อจะมีการทอดผ้าป่าหาทุนให้กับโรงพยาบาลอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีของพวกเราวันนี้เป็นวันที่15มกราคมพุทธศักราช2560แล้วก็ท่านผ อ, อ, อ ก, กับคณะ แพทย์พยาบาลพี่น้องประชาชนชาวอำเภอหนองหานได้จัดงานขึ้นมาเพื่อหาทุนแต่หลวงพ่อทราบมาว่าทางโรงพยาบาลมีหนี้สินติดอยู่บ้างเพราะว่าทางราชการเอาทุนมาให้แล้วก็มีการดำเนินงานผิดพลาด น, นิดหน่อยกับผู้ว่าจ้างนะแต่นั้นก็ยังมี นี่สินอยู่ฟังฟังดูแล้วก็ถึงจะว่ามากก็มากสำหรับคนจนนะสำหรับคนรวยก็นิดหน่อยแต่สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายนี่ว่าพวกเรานี่จัดว่าเป็นคนจนที่ว่าเป็นนี่สินขนาดนี้รู้สึกว่ามากพอสมควรฟังฟังอู่ประมาณขาดอยู่ประมาณ4ี่ล้านนะลูกหลานนะ <S <S <S แล้วก็พร้อมกันก็พวกเราก็ได้สร้างตึกหลังใหม่ขึ้นมา ทราบว่าเีหลวงปู่ไม้ที่นั่งข้างซ้ายของหลวงพ่อนี่ท่านก็ได้สมทบมาประมาณอสองแสน เ, เพื่อจะเป็นห้องพิเศษ24ห้องอ24่ห้องนี่กเ็เป็นห้องพิเศษใส่อยากจะได้เตียงไฟฟ้านะแต่หลวงพ่อคิดว่าอำเภอหนองหารเป็นอำเภอเก่าแก่ดึกดำบรร น, นมนานกระหา บ, บดีเศรษฐี ที่เงินเป็นยางปีอยู่ในอำเภอหนองหารนี่คงจะมีอยู่หลวงพ่อว่านะเะพราะนั้นขอให้ควักๆออกมาช่วยลูกช่วยร้านก็ดีนะอะออกมาควักๆออกมาช่วยลูกช่วยร้านเอาคนละห้องละห้องนะหลวงปู่ไม้ท่านเอาห้องหนึ่งแล้วเนี่ยอสองแสนแล้วก็พร้อมกันก็เมื่อเราตกแต่งเสร็จแล้วนะแต่ถึอยังไงก็ตาม ในเมื่อเข้ามาโรงพยาบาลสำหรับพวกคณะอาจารย์คณะแพทย์คณะหมอคณะพยาบาลควรจะมีชื่ อ, อนามสกุลติดไว้ในเตียงด้วยถ้าหากว่าผู้ที่มีอุ ป, ปกระคุณผู้ที่ได้มอบเครื่องมือแพทย์ให้กับเราเราก็จะต้องมองเป็นพิเศษนะคณะสัทยา ญ, ญาติโยมลูกหลานน ะ, ะพย้ยหายเพราะว่าถึงท่านจะไม่ เข้ามาฟรีหรอกคำว่าฟรีน่ยมันไม่มีพระรองพยาบาลไม่ใช่โรงพยาบาลพออไม่ใช่โรงพยาบาลแพทย์เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลแล้วก็ต้องเดินตามแนวแถวกฎกติกาแล้วก็ต้องได้จ่ายจะเงินนั่นแหละแต่ว่าอยากจะให้อำนวยความสะดวกนี่แหละตัวนี้นอำนวยความสะดวกจุดนี้แหละพอเข้ามาถึงโรงพยาบาลท้องหานปั๊บไปทางพออท้งแพทย์ทั้งหมอกโออนนี้ ตระ ก, กูลนี้นามส ก, กูลนี้เป็นผู้มีอุปการะคุณเอ่ออาแสดงความจํานองเออในฉันก้าพระเจ้าได้ช่วยลงพยาบาลเออท่านหมอเนอะคุณหมอนะเออพวกเราที่เป็นแพทย์เป็นหมอก็ให้อำนวยความสะดวกควรจะพักห้องไหนควรจะทําอย่างไรนี่นี่แหละคำว่าอำนวยความสะดวกคํานี้แหละ เ, เป็นเบื้องต้นเพราะว่าพวกเราเนี่ยตอนที่ฉุกหุกฉเฉิน เ, นเราก็จะได้อยากจะได้ความ เอออำนวยความสะดวกอ่าได้ละถ้าหากว่าผู้ใดมาข่าวข่าวนี้ครั้งนี้ละที่หลวงพ่อได้ยินเสียงหลวงพ่อเนี่ยควรจะจองออควรจ ะ, สะแสดงความจำนงองช่วยลวงพย า, า น, น้องหานพวกเราเนะี่ลูกหลานเนะี่ถ้าหากว่าไม่หนักไม่หนาจนเกินไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อไปทีสถานที่ใดหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าหากว่าเราทําบุญแต่ละครั้งก็จะให้เดือดร้อนตนเอง แต่ถ้ามันพอเป็นไปได้อยู่เราก็ควรสงเคราะห์อนุเคราะห์เพราะว่าโรงพยาบาลไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดใช่เป็นของรัฐบาลก็จริงอยู่แต่รัฐบาลดูสิประเทศไทยกว้างขวางขนาดไหนจะจะให้เขามองทั่วถึงทุกโรงพยาบาลก็คงเป็นไปไม่ได้พวกเราอยู่ในท้องถิ่นในเมื่อเราช่วยกันเอาเตียงแล้ะ อ, อ, อ, อุปกรณ์การแพทย์อ เดีย๋ยวนี้ก็ยังมาขาดลิฟ์อยู่นะลิฟ์ที่ขึ้นตึกตึกที่สร้างใหม่นี่นะเขาให้แต่ตัวตัวอาคารมาเนี่ยรัฐบาลนี่กัย่แยเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะหลวงพ่อเคยพูดนะเคยพูดกับท่านตรวจปลัดกระทรวงเขามาหาหลวงพ่อนะหลวงพ่อบอกเอ๊ะทำไมทางรัฐบาลทางผู้ใหญ่กระทรวงสาธารณาสุขเนี่ย อนุญาตอนุมัติให้สร้างโรงให้สร้างตึกสร้างตึกลกไปแล้วเนี่ยทำไมไมมให้เครื่องมือไปด้วยเนี่ยหลวงพ่อมาแปลกใจเหลือเกินหรือว่ามันเป็นคนและหน่วยงานกันหรือเปล่าถ้าว่าเป็นหน่วยงานเดียวกั น, ก น, กนปีนี้เราอนุมัติโรงพยาบาลไปกี่โรงแต่เราโรงนั้นจะได้ใช้เตียงเท่าไหร่อุปกรณ์การแพทย์เท่าไหร่ตึกสองชั้นหรือตึกสชั้น เราเนี้มันก็ได้จะติดตามด้วยจากนันก้นเราก็อนุมัติออกเงินออกมาเอออันนี้ให้สำหรับเครื่องมือแพทย์นะ อ, อ, อุปกรณ์การแพทย์ยตึกหลังนี้นะตามที่ยิงน่าจะเป็นอย่างนั้นอันนี้พอให้ตึกมาแล้วก็เฉยบ้านเฮ่าไาเสยพบปัญหาปาหำมันออกไปไม่มาดูมาแลเพราะนี่ก็มอบให้พออรองพยาบาล โรงพยาบาลพ อ, อ, อแต่ละโลกระดิ่งเลเพื่อหาทุนเข้ามานี่แหละตามไม่จริงพวกเราเสียภาษีให้กับรัฐบาลพอสมควรแล้วนะแต่ตามไม่จริงก็น่าจะภาษีเหล่านั้นกำนังจะมาย้อนมาหาพวกเราบ้งางพอเราอยู่ในชนนบดเพรา ะ, ะนั้นขอให้ถึงยังไงก็ตามนะพวกเราต้องช่วยตนเองต้องเสียกอดอันดับแรกนะอัตตาหีอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตน โฮฮีนาโถรโรติยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากตัวของพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราต้องพึ่งตนเองก่อนนะวันนี้แนหะพวกเราเนะี่ยให้มาช่วยๆกันคนละไม้คนละมือคนละมากคนละน้อยนะเอ่เมื่อสร้างเสร็จแล้วเมื่อทําขึ้นมาแล้วนะพวกเราเนี่นแหละจะได้ใช้โรงพยาบาลเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะอะไรเพราะว่าโรงพยาบาลจําเป็นนะ เ, เครื่องไม้เครื่องมือี่จําเป็นสําหรับหลวงพ่อเอง หลวงพ่อเป็นพระสองฆ์องค์ข้าเจ้าหลวงพ่อตะก่อนหลวงพ่อเขาถามว่าหลวงพ่อช่วยสงเคราะห์อะไรบ้างหลวงพ่ออยููชูสองนิ้วนะแต่เดี๋ยวนี้หลวงพ่อชูสมนิ้วทําไมถึงชูสองนิ้วสองนิ้วก็คือโรงเรียนโรงพยาบาลแต่หลวงพ่อชู3นิ้วเพราะอะไรวัดด้วยนะเออวัดเนี่ยหลวงพ่อก็ต้องได้ดูวัดแรกวัดน้อยที่ที่ดินวัดบังศาลาบ้างอะไรบ้าง หลวงพ่อจะต้องได้ช่วยดูถังนงทางนงถังน้ง า, นานบ้างของวัดเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็จ้องได้คิดอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องโรงเรียนคนเราเกิดมาถ้าโรงเรียนผุผูพังพังการศึกษาครูหมอดกําลังหมดกําลังใจหมดอะไรตายอยากที่จะสอนเพราะโรงเรียนมันพังนักเรียนก็ น, นั่นดูดูแล้วก็จ้างศักยภาพของโรงเรียนไม่เพียงพอ ดังนั้นเราจะสอนเด็กให้เฉลียวฉลาดนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงมองทางโรงเรียนอีกรงหนึ่งถ้ามีจะตกปัจจัยเมื่อลุงพ่อก็สร้างโรงเรียนอีก เ, อเมื่อสร้างโรงเรียนคนเราเกิดมาถ้าไม่ได้ไดรับการศึกษาที่ดีประเทศชาติจะพัฒนาไปได้อย่างไรประเทศชาติโง่น ะ, ะคนในชาติโง่เพราะไม่ได้รับการศึกษาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองจึงเร่งให้ส่วนหนึ่งเหมือนกันอํานวย ให้กับโรงเรียนตัวนหนึ่งแต่ถึงยังไงก็ตามเมื่อได้รับการศึกษาได้ทําการทํางานดีแล้วพวกเราก็มีสิทธิ์ที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ก็จําเป็นอีกเหมือนกันโรงพยาบาลเหมือนกับรถเน่ยเราจะซื้อมาราคาแพงขนาดไหนแหมยี่ห้อดีขนาดไหนแต่พลที่สุดจะต้องเข้าอู่นี่ก็เหมือนกันน่ะพวกเราท่านทั้งหลายเวลาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาทําการทํางานถึงยังไงก็ได้เข้าโรงพยาบาล ในเมื่อโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลไม่มีศักยภาพเครื่องไม้เครื่องมือไม่พอไม่มีไม่ดีหมอก็หมดกําลังใจเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้ามาเราก็ไม่มั่นใจในชีวิตของเราอีกทีนี่เราก็ต้องไปนู่นไปลงงกรุเทพทพไปหาโรงพยาบาลดีๆราคาแพงๆเพราะเหตุไรเพราะโรงพยาบาลในชนบทไม่มีศักยภาพไม่น่าเชื่อถือเพราะไม่มีเครื่องมือนี่แหละจุดนี้ก็เป็นจุดที่จําเป็นสําคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราจึงช่วยกัน ให้โรงพยาบาลในชนบทอย่างพวกเราเนี่ยให้มีศักิจภาพให้มีเครื่องไม้เครื่องมือหมอก็มีน้ําใจไอ้พวกเราก็อุ่นใจนะลูกหลานนะในเมื่อมารักษาก่อนเนี่ยหมอก็รักษาเต็มที่ ส, สุดความสามารถไม่แพ้โรงพยาบาลส่วนอื่นนี่แหละพวกเราก็มั่นใจส่วนวัด ว, วาศาสนานะี่ยก็เราควรจะดูแลอีกเหมือนกันเพราะวัดเล็กวัดน้อยก่อนที่จะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็ต้องเป็นเด็กซะก่อน เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเราก็ต้องดูแลเด็กนะสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์วัดว า, าศาสนาอีกส่วนหนึ่งเพราะนั้นหลวงพ่อจึงมีจตุปัจจัยขึ้นมาไม่ใช่ว่าจะเอามากินคนเดียวใช้คนเดียวนะลูกหลานนะแบ่งหน้าแบ่งล้างแบ่งไส้แบ่งขว า, เ, าเพราะเหตุแลวพวกเราอยู่ด้วยกันแบ่งปันลาบที่ตนได้มาโดยชอบธรรมให้แก่เพื่อนมนุษย์ให้แก่ภิกษุสามเณรไม่หวงไว้บริโภคแต่เฉพาะผู้เดียวนะ เพราะนั้นหลวงพ่อได้อะไรมาหลวงพ่อจึงแบ่งปันนะครนะับนักทาญาติโยมลูกหลานและก็วันนี้ก็วันหนึ่งนะหลวงพ่อก็คงจะมีส่วนรบอีกเหมือนกันน ะ, ะคิดในใจไว้อยู่น ะ, ะในเมื่อโดนถอดผ้าป่าเมื่อพระสงฆ์ให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ถึงยังไงก็ตามน ะ, ะในการเมื่อพระสงฆ์กําลังให้พร ใ, ให้พวกเราเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลโดยนะลูกหลานเนะ้อเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราอยู่ในบรมโกศุศ เมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรก็ให้พวกเราอุทิศส่วนถวายเป็นพระราชกศุศลด้วยเกิดพร้อมกันก็เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณที่มาตายที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลน้องหารของเราสร้างมานานขนาดนี้นะต้องมีคนล้มคนตายเป็นธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายนะในเมื่อดวงวิญญาณเท่าหลอดดันติดข้องอยู่ถ้าหากว่าตกทุกข์อย่างไรขอให้พ้นจากทุกข์ ให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราถ้าว่าท่านร่วงรับไปแล้วมีความสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็คือเมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรหรือเมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพระสงฆ์ก็จะฉันพัตนาหารพวกเราก็ทันรับทานอาหารตามอัธยาศัยนี่เมื่อรับทานอาหารตามอัธยาศัยแล้วให้กลับเข้ามานะบัดนี้นะข่าวนีนะ้เป็นการทอดผ้าป่าดะ หลวงพ่อเองอยากจะเห็นขะหะบดีอำเภอหนองหารของเราเนี่ยนะเป็นอำเภอเก่าแก่น่าจะแสดงความสามารถให้ลูกให้หลานแบ่งปันให้ลูกให้หลานสร้างห้องใดห้องนึงแล้วก็พร้อมกันกับอำนวยความสะดวกให้กับตนเองนั่นแาลลูกหลานเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่ของเราก็ดะมาพักผ้าอาศัยในห้องห้องเตียงของเราที่ใดได้ช่วยโรงพยาบาลเอาไว้ นี่แหละมันเกื้อกูลหนุนกันนะเราอาศัยโรงพยาบาลโรงพยาบาลอาศัยพวกเราพึ่งพาอาศัยกันนะพี่น้องจึงจะร่มเย็นเป็นสุขแต่ว่าพวกเราต่างคนต่างอยู่จะหาความสุขไม่ได้นะถึงจะมั่งมีขนาดไหนแต่ไม่รู้จักการเสียสละมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะเป็นเงินทิ้งไว้อยู่ในกระเป๋าอยู่ในธนาคารเกิดอย่างปรีติดอยู่อย่างงั้นแหะมันไม่เกิดประโยชน์เอามาให้เกิดประโยชน์อันนี้คือทําคุณประโยชน์ให้กับ โรงพยาบาลเป็นบุญเป็นกุศลนะลูกหลานนะในเมื่อทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอย่าไปลืมกระเป๋าไว้ในรถอันนี้คือสําคัญมากนะให้จำจำเอาไว้แล้วก็ใครปู่ย่าตายายของเราเอ้ยไอ้ออนางไอ้หลานเอ้ยนี้เขาจะมีทอนทอดพ้าป่าให้กับโรงพยาบาลน้องขาเนานะนี่ย่า ย, ยายฝากเงินไว้เนาะอย่าลืมเนาะเอออันนี้ก็สําคัญอีกเหมือนกันนะอ่า เพราะนั้นพวกเราจะลืมกระเป๋าไว้ในรถให้ติดกระเป๋าติดไว่อ้าวพวกเราเทกระเป๋าใส่กันสมทบผ้าป่าพวกเราจะได้รวมกันเลยทีนี้ควักเงินออกมาช่วยๆกันหลวงพ่อก อ, องค์หนึ่งเหมือนกันนะแล้วกูบาลอาจารย์ที่นั่งนั่งหลวงพ่อก็มั่นใจว่ากูบาลอาจารย์คงจะมาช่วยกันข่าวนี้นะท่านคงจะไม่มารับคงจะไม่มารั บ, รบใบปราณนาราข่าวนี้เพราะรอะไรเพราะมาเทกระเป๋าใช่ไหมแหละ อ่าเน่ยมาเทกระเป๋าใส่กันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับโรงพยาบาลเพื่อสร้างโรงพยาบาลอำเภอหนองหานของเราแต่อีกอย่างหนึ่งนะหลวงพ่อขอฝากไว้กับท่านพออนีนะท่านพ่ออท่านคณะแพทย์ด้วยว่าเวลาพระสงฆ์เข้ามาโรงพยาบาลเนี่ยน่าจะจัดโซนไว้โซนหนึ่งนะเหมือนกับไปในสนามบินหรือว่าไปที่ไหนนะเขาจะเอาเก้าอี้ตั้งไว้สําหรับพระภิกษุสามเณรท่านนะ อหมควรจะมีเอาไว้จากนั้นก็เมื่อพระสงฆ์เข้ามานั่งแหมเมื่อพระสงฆ์เข้ามานั่งก็เชิญพระสงฆ์มาก่อนเออนิมนต์พระครูท่านมีอะไรการนิมนต์พระสงฆ์เข้ามาตรวจก่อนพอตรวจก่อนแล้วก็ไปจะแอดเมดบอดหรือจะว่าจะถวายยาท่านก็ถวายท่านก่อนเพราะท่านเป็นพระนะแต่จะให้ท่านคอยจนเข้าคิวซะก่อนโว่กระ ด, ดูดมันก็ยังไงอยู่อีกเหมือนการท่านหลวงพ่อไอ ชัดทาญาติจุมนะขอฝากไว้กับทั้งคณะแพทย์คณะพยาบาลเนอะจุดนี้นะ่ะหลวงพ่อก็เกนีตะกอดโรงพยาบาลศูตรอุดรก็อย่างนั้นแหละหลวงพ่อมาขอทางพออโรงพยาบาลตั้งสามพออจนะได้ห้องพิเศษสําหรับให้พระสงฆ์เขาไปอยู่ในห้อง เ, อเดี๋ยวนี้เออสะดวกเรเห็นหลวงพ่อไปเห็นเออสะดวกแล้วก็พระพอพระสงฆ์เข้ามาท่านก็ไปตรวจในห้องอแล้วก็จากนั้นก็ไปที่ไหน ไปรับยาที่ไหนนี่แหละอำนวยความสะดวกนะเพราะว่าลุงหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระสงฆ์องค์เจ้านะทางว่าพระสง์ไปเข้าคิวอยังไงใช่ไหมล่ะไปเข้าคิวต่อโยมก็ไม่ใจไม่ได้อีกทางวระสงก็เดินเดินด้านๆไม่รู้จะทํำยังไงใช่ไหมทางแพทย์ทางหมอก็ไม่ได้ถามถ่ายว่าท่านมาอะไรท่านทำจะต้องการอะไรพระสง์ก็เดินเดนด้านๆไม่รู้จะทํำยังไงดูๆแล้วก็ ไม่ค่อยจะเหมาะนะลูกหลานนะและก็พร้อม ก, กันก็เวลาท่านไป น, นอนโรงพยาบาลก็ตั้งก้นจะจัดเป็นสัดส่วนให้กับแต่ท่านพันได้พักบ้าง อ, อ, อย่าปะปนกับสัทธายาโยมดูก็ไม่ดีอีกเหมือนกันจุดนั้นนะอันนีขข้ขอฝากไว้กับคณะสัทธาญาโยมลูกหลานทุกๆคนเนะเพราะเมืองอุดรของเราเป็นเมืองเป็นเมืองพ่อแม่ครูบาอาจารย์น ะ, ะเป็นเมืองหลวงตามหาบัวเป็นเมืองหลวงปูค้า เป็นเมืองของพระสงฆ์พระมหาเถระผู้ใหญ่อยู่ในเมืองอุดรทั้งหมดควรจะแสดงความเคารพคารวะในครูบาอาจารย์พระสงฆ์แล้วก็ตามสมควรไม่ใช่จะทาําอะไรจนเลิศเลอเฟื่องเฟ่กไม่ใช่ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าสมควรให้เหมาะสมให้เกียรติท่านเพราะท่านเป็นผู้มีศีลเป็นพระสงฆ์ส่วนพระสงฆ์ก็เหมือนกันนะในมาในเมื่อเข้ามาโรงพยาบาลนี่ก็ ให้มีการสำรวมมีศีลาจารวัดพอสมควรเนื่องฝ่ายพระสงค์ก่อนหอทะเลทลดดูไม่ดีมันก็ไม่งามอีกเหมือนกันดเด้พอเราเป็นพระนะก็ต้องมีการสำรวมกายวาจาของเราแค่เรียบร้อยเป็นผู้มีศีล น, น, นะพูดง่ายๆนะตอนนี้ไปขอข อ, ขอนินอนุโมทนา ค, ครับผมเนียธาวารีวะคุระวารี อ้าวฟังนะลูกหลานเนอะปัจจัยเงินสด เ, เงินสด5 5 5ล้านห้าแบาทเจทสิบตัง์เตียงไฟฟ้า9เตียงเตียงละห5 0 0 0เป็นเงิน 4,955 0 0บาทสี่0 0 0บาทห้องพิเศษ 3 อ, อห้องพิเศ ษ, ษ, ษพิเศ ษ, ษ, ษ, ษสเป็นเงินห้องละ 250,000 มบาทอ่อเป็นเงิน 7,50,000 หหมบาทรวมทั้งหมดเป็นเงินห7ล้านเจ็ดแสบาทเจสสตัง เอาฟังนะคณะบัทธยาญาติโยมลูกหลานทุกคนฟังนะทีเ น, นะาะเดี๋ยวนี้เงินของเรานยยังขาดเจ็ดล้านอยู่นะยังขาดเจ็ดล้านอยู่ห้าแสนห้าหมื่น5้าหบาทเจตะตังยังขาดเจล้านอยู่ห้าหม3่นบาทเจบเจตะตัง แต่ทางโรงพยาบาลนะคณะผู้จัดงานทั้งหลายอยากจะได้สัก8ล้านถ้า8ดล้านในประวัต<ส><ด>นะิจ่ายค่านี้ค่าสินจบนะถ้าได้8ดล้านเน่จ่ายค่านี้ค่าสินจบนะพวกเราควรจะควกักกระเป๋อีกสักรอบใดไหมนี่นะฮะน่าจะร่วมร่วมกันอีกสักเอาสักครั้งหนึ่งอา้าว หลวงพ่อเองหลวงพ่อกผสมทบเหมือนกันนะหลวงพ่อจะสมทบสอง 0,000 บาทนะเอาเอาเข้ามาเล ย, ยโซเฟอร์ของหลวงพ่ออยู่ไหนออกมาสมทบประมาณส0 0 0 0นบาทนะเอาช่วยลูกช่วยหลานน้องหานของเรานายแพทย์วีละใจทีหลวงแม่ครอบครัวต่อยอด 99,999 บาทโว้เอาเข้าไปนดะ้ลูกหล้านนะเทกระเป๋ใส่กันเลยแต่อย่าให้ตกรถก็แล้วกันนะพอเทกระเป๋าแล้วไม่มีเงินเติมเติมนะ้ำมันรถไม่ได้นะคณะของหลวงพ่อคณะสัทธาญาติโยมหลวงพ่อนะคณะสงฆ์วัดป่านาะคำน้อยขอร่วมสมทบช่วยโรงพยาบาล เครื่องมือแพทย์ อ, อันไหนที่จะเกิดกับโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์หลวงพ่อขอร่วมถวายนะณะสง์นะขอถวายสองแสนบาทเนอเออเอามอบให้เลยคณะสัตธรรยายาจมท่านขหะปดีเมืองน้องหานทั้งหลายนะฟังเอาไว้นะยังขาด8ดล้านอยู่นะยังขาด8ดล้านอยู่แแสน ห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบสี่บาทเจ็ดสิบเจ็ดจะตังค์เอถ้าขหาวดีเมืองน้องหารพวกเรานะมีอยู่เก้าคนคนละสนแสนละแสนเนี่ยพอลงพอว่านะ